ปฏิจจสมุปบาทในฐานะปัจจัยาการทางสังคมในมหานิทานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญมากสูตรหนึ่งและเป็นสูตรใหญ่ที่สุดที่แสดงปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักปัจจัยาการทั้งที่เป็นไปภายในจิตใจของบุคคลและที่เป็นไปในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือในทางสังคม แต่เท่าที่กล่าวมาแล้วในหนังสือนี้ได้อธิบายเฉพาะปัจจัยาการภายในจิตใจของบุคคลหรือปัจจัยาการแห่งชีวิตอย่างเดียวก่อนจะผ่านเรื่องนี้ไปเห็นควรกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทในฐานะปัจจัยาการทางสังคมไว้สักเล็กน้อยพอเป็นเขาเป็นแนวแม้ว่าในเรื่องนี้จะยังไม่มีโอกาสบรรยายเรื่องนี้โดยพิสดารพึงสังเกตว่า ในสูตรนี้ตอนแสดงปัจจัยาการทางจิตใจท่านอธิบายว่าตันหาได้แก่ตันหาหกคือตันหาในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นส่วนในตอนปัจจัยาการทางสังคมท่านอธิบายตันหาว่าได้แก่การมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาปฏิจจสมุปบาทแห่งทุกข์ หรือความชั่วร้ายทางสังคมก็ดำเนินมาตามวิธีเดียวกันกับปฏิจจสมุปบาทแห่งทุกข์ของชีวิตนั่นเองแต่เริ่มแยกออกแสดงอาการที่เป็นปลายภายนอกต่อแต่ตันหาเป็นต้นไปแสดงพุทธพจน์เฉพาะช่วงตอนนี้ดังนี้อานนนด้วยประการดังนี้แหละอาศัยเวทนาจึงมีตันหา อาศัยตัณหาจึงมีป ร, เริเยสนาคือการสแสวงหาอาศัยป ร, เริเยสนาจึงมีลาภะการได้อาศัยลาภะจึงมีวินิจฉัยการกักการอาศัยวินิจฉัยจึงมีชันทราคะความติดใคร่ฝ่ายประสันอาศัยชันทราคะ จึงมีอชโชสานะความฝังใจพะวงศ์อาศัยอชโชสานะจึงมีปริฆะห์การยึดถือครอบครองอาศัยปริฆะห์จึงมีมัจฉริยะความหวงแหนตรรีอาศัยมัจฉริยะจึงมีอารักขะความเก็บกั้นป้องกันอาศัยอารักขะสืบเนื่องจากอารักขะ จึงมีการถือไม้ถือมีดการทะเลาะแก่งแย่งวิวาดขึ้นเสียงด่าว่ามึงมึงการสอเสียดมุสาวาดบาปอกุศลธรรมคือปัญหาความชั่วร้ายทั้งหลายเป็นอนเนกย่อมเกิดมีพรั่งพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ธรรมะหมวดนี้ที่แสดงตั้งแต่ตันหาเป็นต้นไปมีที่มาอีกหลายแห่ง แต่เรียกชื่อว่าตันหามูลกธรรมธรรมะมีตันหาเป็นมูลปฏิสัมพิทามักท่านกล่าวว่าโลกสันนิวาดย่อมกลัดอยู่ด้วยตันหามูลธรรม9ก้าเหล่านี้ในที่นี้เพื่อให้เห็นกระบวนธรรมะที่ต่อเนื่องมาแต่ต้นตั้งแต่รวมอยู่ในปัจจยาการของชีวิต จนขยายแยกออกไปสู่ปัจจัยการของสังคมคือตลอดมาถึงการเกิดขึ้นของความชั่วร้ายทั้งหลายในสังคมตามในยะแห่งมหานิทานสูตรจึงจะนำมาเขียนให้ดูโดยแยกให้ชัดเป็นสองช่วงคือช่วงที่หนึ่งซึ่งยังอยู่ในปัจจัยการของชีวิตตั้งแต่อวิชชาถึงตัญหาและช่วงที่สองคือตอนที่แยกออกไป เป็นปัจจัยการแห่งทุกข์ของสังคมตั้งแต่ตัญหาจนถึงปัญหาความชั่วร้ายที่เรียกว่าอากุศลธรรมทั้งหลายดังจะเขียนให้ดูง่ายขึ้นดังนี้ในที่นี้ขอเว้นบาลีไว้ขออ่านเฉพาะคำไทยนะครับปฏิจจสมุปบาทช่วงกระบวนธรรมะรวม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 เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีปฏิจจสมุปบาทช่วงปัจจัยาการแห่งทุกข์ของสังคมเวทนาั่งปฏิจจตันหาอาศัยเวทนาจึงมีตันหาอาศัยตันหาจึงมีป ร, ริเยสนาการสแสวงหา อาศัยปริเยสนาจึงมีลาภการได้อาศัยลาภจึงมีวินิจฉัยการกาการอาศัยวินิจฉัยจึงมีชันธราคะความติดใคร้ายกระสันอาศัยชันธราคะจึงมีอโชษาณะความฝังใจพวง์อาศัยอโชษาณะจึงมีปริคหา การยึดถือครอบครองอาศัยปริคหะจึงมีมัจฉริยะความหวงแหนตรณีอาศัยมัจฉริยะจึงมีอารักขาความเก็บกันป้องกันอาศัยอาระะักขาสืบเนื่องจากอารักขาจึงมีการถือไม้ถือมีดการทะเลาะแก่งแยงวิวาทขึ้นเสียงด่า ว, ว่ามึงมึง การส่อเสียดมุสาวาทบาปอากุศลธรรมคือปัญหาความชั่วร้ายทั้งหลายเป็นอเนกย่อมเกิดมีพรั่งพร้อมด้วยอาการอย่างนี้ปัจจาัการแห่งปัญหาความชั่วร้ายในสังคมหรือเรียกง่า ย, ายว่าปัจจัยาการแห่งทุกข์ของสังคมนี้เป็นเรื่องใหญ่มีรายละเอียดมากมาย และกระบวนการเรื่องก็แตกต่างออกไปอีกแบบหนึ่งจึงควรแยกออกไปพูดต่างหากในที่นี้เพียงตั้งเขาไว้โดยจะบอกแหล่งคำสอนที่เกี่ยวข้องเพียงคร่าวๆก่อนผ่านความตอนนี้จะเขียนรูปร่างของกระบวนธรรมะตลอดทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนแยกเป็นสองสายเป็นการสรุปไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยทบทวนหลักและเชื่อมโยงความต่อไปได้ง่าย แสดงกระบวนธรรมะที่แยกเป็นสองสายให้ดูอย่างง่ายๆดังนี้ดูแผนผังได้จากพุทธธรรมฉบับปรับขยายหน้าที่220นะครับในที่นี้แต่ละคำมีลูกศรไปหาอีกคำหนึ่งคือหมายถึงเป็นปัจจัยแก่กันอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาจนถึงตัณหา จึงแยกออกเป็นสองสายคือเป็นอุปาทานภพชาติจรามรณะโศกปริเทวะเปรยานเท่ากับทุกข์ของชีวิตและอีกสายหนึ่งจากตัญหาแยกเป็นปริเยสนาลาภะวินิจัยฉันทราคะอโชสานะปริคหะมัชริยะอรคะการทะเลาะแก่งแย่งวิวาสอเสียด มุสาวาตเปยัญเท่ากับทุกของสังคมในการละหวิวาทสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงกระบวนธรรมะคล้ายกับในที่นี้แต่เป็นคำสนทนาถามตอบและเป็นความร้อยกรองจึงมีรายละเอียดแปล ก, กันไปบ้างในการศึกษากระบวนธรรมะขัางต้นนั้น อาจนำกระบวนธรรมะปลีกย่อยซึ่งตรัสไว้ในที่อื่นๆมาพิจารณาประกอบด้วยเพื่อช่วยให้เกิดความแจ่มชัดมากขึ้นเช่นกระบวนธรรมะแห่งนานัดคือความแตกต่างหลากหลายซึ่งเขียนให้ดูง่ายได้ดังนี้ในที่นี้แต่ละคาก็มีลูกสอนชี้ไปหากันคือเป็นปัจจัยแก่กันนะครับ ธาตุนาณหรือธาตุนาณ์ความเป็นต่างๆแห่งธาตุหรือธาตุต่างชนิดธาตุในที่นี้หมายถึงสภาวะสิปอย่างคืออายตนะภายใน6อารมณ์6และวิญญาณหกธาตุนานั์ความเป็นต่างๆแห่งธาตุหรือธาตุต่างชนิดพัสนาณน ความเป็นต่างๆแห่งผัสสะเวทนานานัตความเป็นต่างๆแห่งเวทนาสัญญานานัตความเป็นต่างๆแห่งสัญญาสังกปะนานัตความเป็นต่างๆแห่งสังกับคือความดํิริติตรึกชันทนานัตความเป็นต่างๆแห่งชันทะ ปริลานาณ์นัดความเป็นต่างๆแห่งความรุนเรา้าปริเยสนานานัดความเป็นต่างๆแห่งการสแสวงหาลาภนานัตความเป็นต่างๆแห่งการได้ผลช่วงต้นตั้งแต่าธาตุถึงสัญญาพูดรวบทีเดียวก็ได้ว่าเพราะาธาตุต่างๆหลากหลาย จึงทําให้เกิดสัญญาต่างๆหลากหลายด้วยบาลีอีกแห่งหนึ่งจึงแสดงลําดับกระบวนธรรมะดังนี้ในที่นี้คือแต่ละคํามีลูกศรชี้ไปหากันคือเป็นปัจจัยแก่กันนะครับธาตุนานัตธาตต่างชนิดสัญญานานัตสัญญาต่างชนิดสังกัปปานานัตสังกัปต่างชนิด พัสนานัตภาษะต่างชนิดเวทนานานัสเวทนาต่างชนิดชันทนานัสฉันทะาต่างชนิดปริลาหา น, านัตความเร้ารุนต่างชนิดปริเยสา น, านานัตการสแสวงหาต่างชนิดลาพนานัสการได้ผลต่างชนิด ปฏิจจสมุปบาทแนวนี้แสดงกระบวนธรรมะที่เชื่อมต่อระหว่างความเป็นไปภายในจิตใจของบุคคลกับความเป็นไปภายนอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ชี้ให้เห็นที่มาแห่งปัญหาความทุกข์หรือความชั่วร้ายต่างๆในสังคมที่เกิดจากกิเลสของคนเป็นกระบวนธรรมะพื้นฐานให้เห็นความเป็นไปอย่างกว้าง ส่วนคาอธิบายที่เน้นความเป็นไปภายนอกในระดับสังคมเป็นพิเศษหรือโดยเฉพาะจะไปปรากฏในพระสูตรอื่นๆเช่นอคัญยสูตรจักวัตติสูตรและวาเสทสูตรเป็นต้นอัดกล่าวได้ว่าพระสูตรเหล่านั้นเป็นตัวอย่างอธิบายกระบวนธรรมะปฏิจจสมุป บ, บาทช่วงความเป็นไปในระดับสังคม อย่างไรก็ตามในที่นี้ยังมิได้มุ่งจะขยายความในเรื่องปัจจัยาการทางสังคมจึงจะไม่ขยายความในเรื่องนี้ให้พิสดารออกไปแต่ขอกล่าวถึงข้อสังเกตที่ควรกำหนดในการศึกษาเรื่องนี้สักสองอย่างข้อสังเกตเรื่องที่หนึ่งขอทวนย้าความหมายของความเป็นปัจจัยาการไว้อีกเช่นอาศัยเวทนาจึงมีตันหา หรือเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาข้อความนี้หมายความด้วยว่าตันหาจะมีต้องอาศัยเวทนาหรือต้องมีเวทนาตันหาจึงจะมีได้แต่เมื่อมีเวทนาแล้วไม่จําเป็นต้องมีตันหาเสมอไปการเข้าใจความหมายนี้เป็นสิ่งสำคัญ และจุดนี้เป็นช่วงตอนสําคัญที่จะทําลายวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือตัดวตัตฏะให้ขาดตอนดังจะเห็นได้ในสูตรต่างๆที่ยกมาอ้างในตอนต้นๆที่กล่าวถึงการสวยเวทนาโดยไม่ให้เกิดตัณหาซึ่งอาศัยสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาคือสวยเวทนาโดยมีสติสัมปชัญญะตัดตอนไม่ให้เกิดตัณหา ขอให้สังเกตไว้เป็นข้อสำคัญว่าพระพุทธเจ้าทรงยากสแสดงปัจจญาการของทุกข์ในสังคมโดยทรงเริ่มต้นที่เวทนาดังที่ตรัสว่าเวทนาั่งปฏิจจตันหาช่วงเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตันหานี้เป็นช่วงสำคัญยิ่งฝ่ายภายในในการส่งผลสืบเนื่องออกมาบรรดาลพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมทั้งหมดข้อสังเกตข้อที่2ประตาสตร์ต่างๆที่ได้ออกชื่อมาแล้วนั้นแสดงความเป็นไปต่างๆในสังคมของมนุษย์เช่นเรื่องชั้นวรรณะและความแตกต่างหรือเป็นต่างๆของมนุษย์เป็นต้นว่าเป็นผลแห่งความสัมพันธ์หรือการกระทําต่อกันของมนุษย์ ภายในสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผลแห่งวิวัฒนาการที่เกิดจากความเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันระหว่างมนุษย์ตั้งแต่องค์ประกอบภายในจิตใจออกมาและสังคมและธรรมชาติแวดล้อมทั้งหมดเช่นเวทนาที่มนุษย์ได้รับต้องอาศัยผัสสะซึ่งมีองค์ประกอบทางสังคมหรือธรรมชาติแวดล้อมเป็นส่วนร่วม กับองค์ประกอบภายในเช่นสัญญาที่มีอยู่เมื่อได้เวทนาแล้วเกิดตันหาขึ้นก็มีพฤติกรรมอาจจะแสดงออกโดยกระทาต่อมนุษย์อื่นหรือต่อสภาพแวดล้อมภายในขอบเขตจำกัดของสภาวะทางสังคมและธรรมชาติแวดล้อมนั้นและผลเกิดขึ้นกระทบต่อองค์ประกอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มนุษย์ไม่ใช่ผู้กําหนดสังคมและสภาพแวดล้อมฝ่ายเดียวสังคมก็ไม่ใช่เป็นตัวกําหนดมนุษย์ข้างเดียวและธรรมชาติแวดล้อมก็ไม่ใช่ตัวกําหนดมนุษย์หรือสังคมฝ่ายเดียวแต่เป็นกระบวนธรรมะแห่งการอาศัยซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยแก่กันความบางตอนในอักขัญยสูตรที่แสดงแนวความคิด วิวัฒนาการตามหลักปัจจัยาการเช่นคนเกลียดร้านนำข้าวมาเก็บสังสมและเกิดความนิยมทำตามกันเกิดการปักปันกั้นเขตแบ่งส่วนข้าวคนโลภรักส่วนของคนอื่นมาเพิ่มแก่ตนเกิดอธินาทานเกิดการตําหนีตีเตียนการกล่าวเท็จการทําร้ายลงโทษการต่อสู้ ผู้มีปัญญาเห็นความจำเป็นต้องมีการปกครองเกิดการเลือกตั้งเกิดมีคำว่ากษัตริย์มีคนเบื่อนไายความชั่วร้ายในสังคมคิดลอยล้างบาปไปอยู่ป่าบําเพ็ญฌานบางพวกอยู่ใกล้ชุมชนเล่าเรียนเคียนตําราเกิดมีคำว่าพราหมณ์เป็นต้นคนมีครอบครัวประกอบอาชีพประเภทต่างๆเกิดมีคำว่าแพทย์ คนนอกจากนี้ซึ่งประพฤติแล้วไหลทําการตําซา ม, ามถูกเรียกว่าสูตรคนทั้งสี่พวกนั้นบางส่วนละเลิกขนบรรมเนียมของตนสละเย้าเรือนออกบวชเกิดมีสมณะจุดหมายของการตรัสพระสูตรนี้มองให้เห็นว่าการเกิดมีชนชั้นวันหน้าต่างๆ เป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยกฎธรรมดาแห่งความสัมพันธ์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรค์กำหนดทุกคนสามารถประพฤติดีประพฤติชั่วและได้รับผลตามกฎธรรมดาเสมอกันเมื่อประพฤติทำถูกต้องก็ปรินิพานได้เหมือนกันทั้งหมดจักวัติสูตรที่กล่าวถึงข้างต้น แสดงการเกิดขึ้นแห่งอัชญยกรรมและความชั่วร้ายเดือดร้อนต่างๆในสังคมตามแนวปัจจัยาการดังนี้ในที่นี้แต่ละคำก็มีลูกศรชี้ไปหากันคือเป็นปัจจัยแก่กันนะครับผู้ปกครองไม่จัดสรรปันทรัพย์ให้แก่เหล่าชนผู้ไร้ทรัพย์ความยากจนแพร่ระบาด อาทินนาทานแพ ร, ร่ระบาดการใช้สัตราอาวุธแพ ร, ร่ระบาดปานาติบาศการฆ่าฟันในหมู่มนุษย์แพร่ระบาดมุสาวาตระบาดการส่อเสียดการเมสุมิชาจานพระุสวาตและสัพพลาปะอภิชาและพยาบาทมิชาทิฏฐิอธรรมราคะความละโมบมิชาธรรม ความไม่นับถือพ่อแม่สมณาาพราหมณ์และการไม่เคารพนับถือกันตามฐานะแพร่ระบาดอายุวันณนเสื่อมเรื่องปัจจัยาการแห่งทุกข์ของสังคมนี้กล่าวไว้เป็นเขาพอให้เห็นแนวคิดของพระพุทธศาสนาเพียงเท่านี้